50 languages. การตั้งคําถาม2องมงาอส ฉันเทนนิสเลตสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเทนนิสเล่นกีจักราค่าาค่ะคุณมีงานอดิเรกไหมแก่ทุกหัวคุยมันก็เลยดิฉันเล่นฟุตบอลฉันฟุตบอลเล่ต้สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ฟุตบอลเล่นกันที่ไหนดิฉันเจ็บแขนเหมือนบ่าซูมีด้รดดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยเหมือนเปียร์หรือหักมีด้รมีคุณหมออยู่ไหมคะดอกเตอร์ที่ไหดิฉันมีรถ มีเรพ้าส์อีกกาดีดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยมีเรพ้าส์อีกมอเตอร์ไซค์ล์บีเดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะพาร์คิ่งคหา้เฮ้ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มีเรพ้าส์อีกสเวตเอร์เฮดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย มีเรพ้า एक จตและอจีนส์ีเฮ้เครื่องสักผ้าอยู่ที่ไหนคะวอชิงมชินห่าาเฮดีฉันมีจานมีรพาสอีกลือดีฉันมีมีดซ่อมและช้อนมีรพาส์อจัอีกกานตะ เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะน้กอและพริกไทยอยู่ไหนคน่ะนำกอรกลิิรกะหเย